คิดว่าขนทีน่อยเป็นวันเปิดทํางานแล้วพี่น้องลูกหลานยังเข่ามาทําบุญรู้สึกว่ายังอบอุ่นอุ่นหนาฝาขังว่าทำบุญมาทรงถ่ายปีเก่าปีเก่ามันผ่านไปละเมื่อสองหมื่เมื่อไหนเป็นมื่เมื่อไหนพอเข้ามาทําบุญทรงทรงปีเก่า ปรับปรุงปีใหม่ตั้งตนปีใหม่แล้เป็นมื่อนี้เป็นวันอังคารที่สิวันอังคารที่สามมกราคมพุทธศักราช2560ันิบเมื่อนพระในวัดของเฮาสีสององค์ลงมาฉันสามสบเพิ่นหม่ามาฉันสิบอองค์ มนเวียนเปลี่ยนกันบริมาตสานครบขาดไปสิบอ็ดองหลกักงานในวัดของเฮานี่ยแหละหยุดไปตามเทศการอาจารย์นหน่อยที่เป็นหัวหนา้าเกับสมพานเก้ัปต่างคนต่างกับปัดก่อนเมื่อไนมามมวามัอว่านเมื่อไนจะเริ่มลงมือละเรื่องสางกาแพงของเฮา แต่ก็แล้วไปสองจุดยังอีกยังหลายจุดอยยังพรท่านยังจุดไยบาตเนี่ยจะเริ่มลงจุดไหละแล้วก็หลวงพ่อเองกายเบิ่งเป็นตาล่องฐานสะพานกา ล, ล่งฐานสะพานไ้เนอะเพราะเหตุใดเพราะต่อไปกอาจจะมีฝนตกขึ้นมาอย่างหน่อยก็ให้มันมีเสาโพขึ้นมา เด้เท า, า, า, าดท่่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่ท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่าพอ่่่่่่่่่่่่่า่นก่่่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ออุปกรณ่่่่่่ก่่่ันก็พ่่่่ยู่่่่่่มม่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่้ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่ขึ่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ดินไ่่อันน อส่วนกำแพงกะชอยๆกันเบึงสิศไซเสาเข็มบอกระมีคนมาบ่มานั่นหลายคนอยู่บางข้นว่านายิศไซเสาเข็มนั่นหลวงพ่ออบางคนก็บ้านายทิศไซหน้าสุดแทะแต่ะอพี่น้องลูกหลานนั่นพิจารณากันเนี่ยมันดีเฮ็ดแนวมันดีเฮ็ดเนียมันดีนั่นแหะเฮ็ดแต่มันแข็งแรง เพราะว่านา้ำมันมาสอนมวยให้เฮ้าแล้วมาฝึกมวยให้เฮ้าแล้วเฮ้าควรจะรู้แนวทางของมันมันสอนแบบใดเราก็ควรจะไขท่านเกมของมันนั่นแหะการเท่าสีเห็ดดันคือเกาอยู่มกระจมากคือเกากรสิเสียหายอีกเพราะนั่นเท่าต้องซอยๆกันเบงังะ แต่เหลืองจะตัปัจจัยศรัทธาญาติโยมก็คงจะบางคนก็อยากจะถามเอ๊ะมันปัจจัยยังขาดยังตงรงไรหลวงพอ่อมันก็พ่อเป็นไปอยู่พ่อเป็นไปได้ก็บอกบถึงกับเดือดร้อนทามันเดือดร้อนจริงๆหลวงพ่อก็คงจะบอกให้คณะศรัทธาญาติโยมแหละแต่หลวงพ่อก็บอกไว้แล้วว่างานนี้ผมเป็นงานเร่งด่วน คอยเป็นคอยไปพอเหตุใดพอมันเป็นกำแพงกับสะพานมันโมเมนหมวกเขาหมอกแกงของเข้าแต่วกุติสาร่ามันพังเอออันนั้นแปลว่ามันเสียหายเฉพาะหน้าเข้าต้องรีบเล่นทํามอันนี้มันก็อยู่ห่างไกลอยู่เฮ้ากันไว้แล้วกันหัวไปแล้วเฮ็ดหัวไปแล้วหัวสังกษีตีเข้าไม่ไพ่เฮ็ที่มันเป็นกำแพงลม กบ็บใหยกันวา้พวกสัตว์ออกไปมันก็ดมันกดีในระดับเรื่องแหละแต่ว่าถึงจังไร ห, หัวไม่ภัยสังก ษ, ษีนี่ได้อยู่สองสามปีสองสามปีห้าคงคงจะมีทุนคันบัสิเหตุนะราะอะผมมีปัญหาเาค่อยๆไปเรื่อยๆแต่หนักหนาได้กับเรื่องสะพานนั่นนะต้องใช้วิศวกรรมวิศวกร ผู้ที่มาเห็ดแต่ถึองนังไงอาจจาะหน่อยเพิเ่งคยเห็ดมาแล้วสะพานหนึ่งแล้วคงจะผ่านงานมาแล้วเรื่องสะพานเขาคงไม่มีปัญหาเหมื่อกี้ในหลวงพ่อก็ล่งไปกรุงเทพเขาในมนไปหลับผาปาอยู่พนเด้ไร่จันหอมอำเภอสวนพึ่งลาดพูดีปกนี่แหละอาจารย์ ขมขำอาจารย์โรงเรียนลายชินุเทศที่เป็นเกษียณอายุราชการกลุ่มของเพิินเพลินไปเลี่ยงรุ่นอยู่พุ่นรับหลุ่นอยู่พุ่นเพลินก็เลยจัดงานเป็นผาป่าขึ้นมาให้ลุงพอไปรับผาป่าอยู่พุ่นลุงพอก็เลยออกจากสวนแสงยงถมไปเกิดไปรับผาป่ากลุ่มของเพลินเพลินก็มารวมเนียนะ คนกับว่าบอกบุญบอกก้าวกันทั้งเหนือจทย์ต่แหละพมไปผมเป็นนักเรียนล่ชิโน่ทิชรุ่นของเพิ่นเป็นกู่บาอาจารย์ทำงานราชการก็มาร่วมกันถอดผ่าปลาโก้ก็ได้หาแสนกว่าบาทจะได้ลูกหลานได้นั่น่ะมันก็เจือจุนหนุนกันเพราะนั้น จะตุกปัจจัยเหล่านั่นที่หลวงพ่อได่มาได้บอกเกาให้มาดหลวงพ่อไถ่มาจังไดรพระเจวะนี่แหละไถ่มาจังสั้นล่ะครูบาอาจารย์บังท่าท่าญาติโยมบังคนละหมาคนละหน่อยอามาร่วมกันเนี่ยเกี่ยวว่าเป็นไปได้เพราะนั่นทั้งชวนราชการกรมการศาสนาพันไก่ให้มีแบบฟอ้องมให้หลวงพออ่อกรบเพื่อของเงื่นทั้งกระท่วงศึกษา แล้วก็ทั้งโยธาเพิ่นก็บอกให้ขอทั้งโยธาเพิ่มเติมแต่หลวงพ่อก็ได้บอกเพิ่นไปแล้วละ่ะกับบรมเณอวดไงอวดอ่างอวดทางอวดมีบรมเณจังสัน้นเพียงแต่ว่าพวกเข้ากับเป็นพระปาพระดงเศรษฐกิจพ่อเพียงหยาบในหลวงเพิ่นวานนนะ่ะค่อยเป็นค่อยไปกับว่าเดือดเดือดหล่ อ, ลอนให้เอาเงินหลวงไปใส่นืาอื่นซะอันนี้เข้าเงิน พี่น้องไปใช้ชนเงินลูกเงินล้านแม่มาซอยกันคนละนิดคนละหน่อยมันก็ครอบพ่อเป็นไปได้โย่ดังนั้นจึงได้ปฏิเสธเพิ่นบดิขอคเงินหลวงมาในการสอบวัดของเฮ้าที่ว่าอุ ต, ตกระอุ ต, ตกไพ่ไพน้มท่วมข้าวนี่และเสียหายหลายปอหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เคยเบากมาแล้วทางโยธา ทา ง, ทางหลวงสนบททั้งกรมชนประธานเป็นมาเบงเป็นกระวิครออกมาแล้วว่าคาใจใจประมั่นเจ็ดล้านกว่าประมเมินผลเสียหายแต่ถึงอย่างไรก็นั่นะเงินกระถิ่นของเฮาก็ถอดมากถอดกระถินมากหมาดๆเขาน้ามท่วมก็คงจะใจจะตุปใจเล่านี่ละ ผสมประสานกันในวัดของเข้าเ่ยพระนขอให้พี่น้องลูกหลานทุกขู่ทุกคนที่หลวงพ่อได้พูดให้้ใ ห, ใหฟังในท่นนั้นเพื่อไปให้พวกเขานักใจแต่พวกที่จะมาร่วมสมทบก็บว่ากันพเพราะว่าเข้ามันก็จําเป็นในใจนั่นละเรื่องจะทุกปัจจัยนะและก็พ่อมกันหลวงพ่อเองก็อยากจะแจ้งข่าวเรื่องเจดีย์ขององค์ลงตาอีกขึ้นกันนะ หลวงตักหลวงพ่อเองก็บริเบามาหน้านนะเรื่องเจดีลงตาไปจึงใส่นอหลวงพ่อหยุดสังงักสังงันไปใส่เรื่องเจดีแต่ตามไม่จริงเจดี JD, ลงตาทั้งจังหวัดก็ดีทั้งวัดป่าบันตาดก็ดีทั้งกลุ่มคณะกรรมการก็ดีเขาก็แต่งตั้งกันเขินมากหลวงพอ่อชูใจแต่งเส้นหนังสือแต่งตั้งทั้งจังหวัดแล้วก็ ทั้งมวยงานต่างๆให้มัดรวมกันเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าปรับสถานทีกรเรียบรลอยแล้วล่ะแล้วลก็พร้อมกันก็คำร่างทิลงเสาเข็มการเสาเข็มเนี่ยตามที่เจียงเขาสํารวจข้ากรนั่นแหละตำรวจเข้ากรากับํารวจแบบเข้าพวกเข้าอีกพอจีเฮดอิเล่เขาก็บวมหันใจอีก สํารวจเข้าก่อนเพียงสิบเอ็ดแปดเก้าสิบเมตรถึงดินดดนป่านนี้ก็เลยมาจ่างมืออาชีพมาเจาะอีกมาพอเจาะลงไปถึงเจาะลงไปสิบเอดเมตรถึงดินดานพอทีดจะเจาะทะลุดินดานอีกดินดานประมาณสักสองหรือสาเมตรความหนาของดินดาน ถ้ล่วงลงไปถึงใส่ถึงถึงไส่ละเอียดใส่แน่นถ้าล่วงลงไปจนถึงสามสิบหามตรจังดึกถึงดินดานที่แท้จริงเลยก็เลยมาโศเลกันว่าสิเอาแบบใดกําลังมาคุยกันอีกอย่อยเดี๋ยวการ่าวันที่หกนี่แหละหลวงพ่อก็เป็นผูกฟัง่งเงียงหูฟัง่งขณะวิจักขก่อนเขาหาขอยุติกันอยู่กันบ่าวันที่หกทิบ ที่จะถึงเนี่ก็คงจะมีค้อเศร้าข้อนเศร้าก็คือหาผู้รับผิด ช, ชอบในการดําเนินการก่อสร้างเป็นผู้คุ้มงานจ้างบริษัทคุ้มงานใครข้าจะต้องตองลงทุนจ้างบริษัทมาเลยตลอดไปจ้างวิศวกรสถาปนิกเป็นบริษัทมาเระบบบริษัทคอนเซิว่าคุ้มงาน แล้วก็สีเส้นสัญญาพร้อมกันแล้วก็สิเส้นสัญญาเรื่องเสาเข็มเรื่องเสาเข็มนี่จะแยกแต่เรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์สารล่าลายนะ่ยยัง ว, ว่าท่านเส้นสัญญาเนี่ยยัง ว, ว่าท่านหาหาผูวรับเหม AU, เาที่เอาเอาเนี่ยแหะแยกเสาเข็มก่อนที่เบิ้งเห็ดแต่ตอกเสาเข็มก่อนตามแปลนเนีน่ยเสาเข็มประมาณพันต้นเลย พันต้นแต่ว่ากัยังคิดอยู่ว่าตรงพระเจดีเนี่ยจะรับนํำนักเพราะเจดีลงตาเนี่ยสูงหกสบเมตรจะรับนํำนักหลายตันอยู่ตรงนี้เฮาถี่ใส่เสาเจ า, เาะป้องเฮ้ยสีให้ใส่เสาตอกเฮ้ยสีใส่เสาแบบใดเพื่อจะลองรับพระเจดีตรงนี้ แต่หม่องศาลาล่ายกับพิพิธภันธ์เป็นอาคารธรรมดาเอาจะอาจจะใส่เสาเข็มธรรมดาก็บคงจะได้กับมั่งอันเดียพนกำลังคุี้กันอยูนะ่แต่ว่าถึงยังไหนก็กงบงบง บ, งบออกมาเนี่ยเสาเสาเข็มเนี่ยก็หลายเงินพอสมควรอยู่แต่ลงพอเองก็บอกบอกกล้าที่จะพูดแต่เขากับแพรๆออกมาคงจะยี่สิบกว่าล้านเน่ยนะลงพอนะ ที่ฟิศวะข อ, อนเขานันออกมาแต่ก็ยังพระท่านได้คุยกันในรายละเอียดหลวงพ่อเออเอาแต่ถึงอย่างไงก็ทำให้ดีเนอะเตืองเจดีของหลวงตาดีฐานหลากนี่แหละสำคัญคันว่าเห้าเสียดายเงินในการทำฐานหลากคานวัเทศลงไปแล้วมันสุดเออมันเอียงพวกเห้าก็สิเสียใจนาน่นเทานาน่นพราะใดเพราะเห่าเสียดายเงิน เรื่องเสาเข็มเพราะนั้นเรื่องเสาเข็มเนี่ต้องเห็นแน่นหนามันคงเพราะเขาสีอยู่ไห้เจดีล้งตาเนะี่ยอยู่เป็นลอยๆพันๆปีน่านเท่า น, านั้นเพราะนั้นเขาต้องเห็ดไห้แข็งแล้วก็เสาเข็มแต่ละต้นกับบ่อไห่หนามเกลือเขาได้เพราะเมืองอุราเป็นเมืองเ ก, นะกลือเลยโปแตต์โปแตต์ไห่ให้เกลือเขาไปกัดเล็กได้อกีกต้องใส่หนามยาพิเศษ กันให้มันเป็นเสาเข็มบมเหตุน้ำเกลือเขาไปกัดเล็กได้เพราะนั้นมันมีกรรมวิธีลหลายๆอย่างในการสร้างเจดีย์ของหลวงตาสรุปเลยก็คือพยายามให้ดีที่สุดนั่นแหละแต่ทึงอย่างไรก็ตามหลวงพ่อเองกคยบอกให้กล่าวว่าบัญชีเสาเข็มเนี่ยควรจะเปิดไว้กว่าดีแต่หลวงพอ่อจุ้ใจเปิดไปและ้วะนะหลวงพอ่อจุ้ใจเปิดไปแล้วบอกว่ามัญชีเสาเข็ม ในเมื่อผู้ใดสั่งเอาเสาเข็มเสียวซักตนขอบขั้วละตนหรือขอบขั้วละซิบตนพอมันเป็ี่ยนพันตนเลยมันเป็นพันตน้นหมดไปนนขอบขั้วราคาตนสองตนหนึ่งตนหรือหลายๆขอบขัวเอาหนึ่งตนร่วมกันก็ได้เป็นเสาเข็มตอกตามหลักวิชาการของวิศวกรของเขานะ่ะ ตามนั่นอ่ะพอเขาแยกกันแยกกันแค่อาคารกับเสาเข็มคือเสาเข็มเขาจะพิถีพิถันมานะพง่ายๆเขาจะขวบคุ้มโดยวิศวกรแล้วก็คนเศาของเขาเบิ่งให้มันถูกต้องตามกฎมันแข็งแรงแล้วต่ยังคอยหาผูรับเหมาสางพระเจดีย์อีกเซ็นสัญญาอีกรอบนึงนี่แหละ อันเนี้ยุดเนี่ยแตจุดทีว่าที่เปิดบัญชีเนี่ยต่อไปลุงพอคองจะประกาศบอกเหมือนกันอ่ะเออเหล็กบัญชีเสาเข็มเน่อลูกหลานผู้ใดจกซอยเบิงเสาเข็มเอเป็นฐานให้หลวงตาเนี่ยไข่ไข่ก็บอกพวกเข้านี่สัตว์ทยญาติโยมลูกหลานเขาลบลักในองค์หลวงตาบูท่าบูชาเออเทิดทูนเทิดทูนบูชาในองค์หลวงตา ในธรรมะของเพิลนถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อที่เข้าได้รับความรู้ความฉลาดจากธรรมเทศนาของเพิลนอพวกเขานี่ฐานะลูกหลานทั้งหลายแต่ยืนประนมมือคือเสาเข็มนะยืนประนมมืออยู่ใต้ฐานพระเจดีย์ลงตากรขึ้นไปง่อยทั้งบนหัวของพวกเข้าเข้าเป็นฐานให้เพลนมันก็เป็นบุญเป็นกุศลให้ลูกหลาน คนละตนสองตนก็บอว่ากันผู้มีกาลังเอาเอาลายกว่านั่นแต่คงจะบอกอีกคงบ่นานแต่คงจะได้ใส่เงินไหลก่อนไงเพราะถควรอยู่เงินเสาเข็มก่อนเนี่เพราะเขาอยากพวกวิศวกรนเขาจะทําให้ดีเขาว่าจังจันนะอันนี้หลวงพ่อก็เป็นผู้อย่างงได้ฟังเพราะติดตามอยู่ตลอดพระไตรเพราะหาะลวงพ่อก็บอกแล้วเด้สนับสนุนสนับสนุน ในการสร้างพระจดีขององค์หลวงตาพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อเป็นผู้ไม่ใช่ผู้ตัดสิ้นใจไม่ผู้ไม่ใช่ผู้ดําเนินการเป็นผู้ให้การสนับส น, นุนหลวงพอวอ่อว่อมาตลอดเพวัะนั้นหลวงพ่อจิงวัยสนับสนุสนก็ต้องสักไซไลยเลี่ยงถามไทยอยู่ตลอดให้ความสนใจอยู่ตลอดไปถึงไสเหล้วเจดีขององค์หลวงตาวันนั้นหลวงพ่อจึงได หลูได้สาบข่าวมากขนาดนี้แหละแต่ละวันทีวันทีวันที่หก น, นี่แหละจะมีการไปชุ่มกันอยู่ อ, อ, อะไรโรงพยาบาลของทุนกระหม่อมยิงหองไปชุ่มเพื่อจะไปชุ่มหาลือกันแต่ว่าทั้งสถาปนิกคนกระบอกมาทั้งจังหวัดและเด แอบพอกมาทางจังหวัดว่าพระ อ, องค์เจา้าศิทธิพ่าจุธาพอเนี่ยเพิรนก็รับเป็นจะเป็นประธานในการออกแบบพระเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอ่าแล้วก็เมื่อก่อสร้างเพื่อจะเป็นผู้ติดตามในกลุ่มของเพิรนน่ยสถาปนิกเนี่ยติดตามในการทํางานให้ไปตามแบบแปลนในการที่ออกแบบแปลนไว้แล้วนั้น ควนที่จะเสด็จลงมาโปร่งเจ้าสิริพานะจะเสด็จลงมาดูงานาก็จะมาดูตามการอันควรขอให้ทางจังหวัดเตรียมการเอาไว้ด้วยลักษณะจังสี่แหะในจดหมายนาะยจงพอเปินอ่านให้หลวงพ่อฟังนะทางจังหวัดเปิดอ่านให้หลวงพ่อฟังเพราะในก็เป็นอันว่างานอันนี้ก็เป็นงานของฝ่านะ อย่างทุนกระมอมลูกสาวขององค์หลวงตานะที่มันก็นยังหลับเป็นเ อ, อเป็นประธานยังหลับเป็นนั่นยืนเมื่อเขามาลงมาช่วยพร ะ, ะสร้าสังเจดียปิพิธภัณฑ์ว่านั้นผัวเข้าเป็นพระศกในกน่ลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาข็น่า จ, จะปรับปรึมช่วยช่วยกันเพื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นสิริเป็นมงค์ข้นของโปงตระกูลของพัวเข้านะแต่บางคนก็บอกว่า สางขึ้นมาแล้วจะจำว่เป็นการทำรํำลายปฏิปทาของหลวงตาบองกระนั้นกระนำวานาวานาจะเกี่ยวกันเพราะ ว, าวัดกับสถานที่มันก็ห่างกันอยู่อผู้ที่จะขาไปอยู่พาวานาทางไหนก็ได้เพราะไปยังในวัดของหลวงตาอันนี้มันอยู่ห่างกันเป็นปิธภัณฑ์ตัวนี้ขององค์หลวงตานะงวัดป่าบันาดาตก็เป็นวัดหลวงตาออเมือ่อ เมื่อลงตาจากไปก็ทางเข้าพวได้สั่งอ้อย่างทาวนวัตถุไหวต่อไปก็ลอยล้อไปเรื่อยๆนะก็น่าจะเป็นทาวนวัตถุขึ้นมาเปื่อกกราบไหวเขารบสักการะบูชาท้าวว่าพวกเข้าประเหต์ไหวมีแต่าฐานที่มันพระราชทานเพิ่งต่อไปก็ลอยล้อมัดไปมดไ ป, ดไปเพออราะเหตุใเพราะว่า พอมีถาพอนวัตถุแต่เมื่อมีถาพอนวัตถุนก็จะอยู่นั่นเท่า น, านั่นถ้าบผู้ไดอยากยึดปฏิปทาของหลวงตาเเท่าเสียปฏิปทาหลวงตากลหลวงตาก็อยู่พุ่นะอยู่กับหลวงปู่มันบั่นนองผือหน้าหน้าอีพุ่นะเพิ่นกับม่ารักษาปฏิปทาหลวงตาอยู่บ้านตาดเฮาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าอยู่บนอยู่ประเทศอินเดียพนะู้น่ะเฮ้าก็มารักษาปฏิปทาพระพุทธเจ้าอยู่วัดป่านาคำหน่อยนะเฮ้ยอยู่แต่ละหมองละทีกันเป็นรักษาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเพิ่นแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจังไรเฮ้าก็รักษาปฏิปทาของเพิ่นได้มากได้หน่อยกอระบว่ากันอันนี้คือกันการรักษาปฏิปทาผมมันจะรักษาอยู่บ้านตาแทงเดี่ยวหลวงพ่อว่าไปรักษาอยู่ไซก็ได ขนาดพระพุทธเจ้ายุ่มประเทศอินเดียเขาจะมารักษาอยู่ประเทศไทยไปได้รักษาปฏิปทาของพระพุทธเจ้านะเพราะนั่นจริงทั้งหลายทั้งปวงเราเนี่ยเขาก็ต้องมีแนวความคิดอมีสติมีปัญญามีแนวความคิดอแต่ถึงจะยังไงก็ตามเข้าก็ต้องยอมรับนานาจิตต่างนานาทัศนะแนวความคิดเห็นของทุกข์ทุกคนแต่ผู้ได้เห็นพิษพอได้เห็นถื่อ พอดเห็นกว่างพอดีเห็นไกลพอดเห็นแคบพอดีเห็นสันมันก็ต้องมีความเห็นต่างกันขึ้นกันเพราะนั้นไถึงอย่างไหนก็ตามเฮามีเจตนาหยัง่งพวกเฮาในเจตนาหยั่งที่เสียสละในการสางพระเจดีขององค์หลวงตาเนี่เจตนาเผื่อเชิดชูบูชาพระคุณของหลวงตาพราะหลวงตามีพระคุณปฏิบัติบูบชาเราก็ทําพยายามทําเต็มที่ ในอามิตรชบูชาพวกเราควรมีอย่างที่พระพุทธเจ้าบนวานถูประหะบุคคลบุคคลที่สมควรสร้างพระเจดีย์มีอยู่สีท่านพระพุทธ เ, เจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระทหารตรสาวกพระเจ้าจากักรพรรดิทาวบปมีพระถรมค่ำสนอันนี้เอาไว้เอ้ยเมื่อตายไปแล้วไม่ควรมีถาวรวัตถุควรมีแต่ปฏิบัติบูบชาเท่านั้น ยังจะเป็นศาสนาของเราตถาคตดาวพระพุทธเจ้าเปิ่นตัดยังสัน่นเฮ้าทั้งหลายก็คงจะสีสางพระเจดีย์ทีสางยังขืนมาเฮ้าก็ต้องได้คิดแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าเปิ่นตัดว่าปฏิบัติบูบชาขนั้นเลิศประเสริฐสิ่งอื่นไม่มีเด็ดขาดน่ยอันนี้ถึงยังไดก็ตามพระพุทธเจ้าเพิ่งบอกว่าถึงจะปฏบิบัติบูชาแล้วก็ก็ดีอามิชบูชาคือถูปรหบุคคลสี่จำพวก สมควรที่จะสร้างสถูว์ทกพระเจดีพระพุทธเจ้าพระธาตุสร้างบรรจุพระปรมธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระเปโตรพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระอรหันตสาวกอัธิธาตุของพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระเจ้าจักรพรรดิยังมีกิเลสอยู่เด้กิเลสอยู่แต่พระพุทธเจ้าเพิ่งก็ยังบว สมขวรจะสางเพราะว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้มีพระคุณในแผ่นดินในยุคสมัยนั้นสอนคนให้เป็นคนดีให้คนมีศินหาแล้วก็คนมีศินแปดวันอุโบสถจะมีศินแปดวันธรรมดาจะมีสินหาในยุคที่พระเจ้าจากักรพรรดิเกิดลูกก่อนโบมีลูกกุญแจโบมี่โบมีคนขำมย้ยผูยโจรพรรวิสันได้แต่ห้าของพรดิเกิดในยุคนั้นเพิ่งก่อก ตามตำล่าเพลนอกเพนเข้าขูกตามตำล่าของเพินบอก่มีกี่ขโมยโพยโจนเป็นคนซื้อสั์ซื้อตรงต่อกันอยู่อยู่ใสมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเสือโอวาตในพระเจ้าจักรพรรดิในเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตแล้วประชกนิกรทั้งหลายกับสางพระเจดีย์ขนมาเพื่อใส่อธิธาตอแล้วก็คนทังและกับาธูเดอร์ผู้า เกิดมาพบในชาติใดให้ได้บพบพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็ให้ประกอบคุณง่ามความดีนั่นแหละท่านเองคนทั้งหลายประสบในก่อนในยุคสมัยนะั้เขาก็ประกอบแต่คุณง่ามความดีท่นเอเพื่อบูชาพระเจ้าจากักรพรรดิความล่มเย็นเป็นซุป ก, ก็จะเกิดขึ้นในแผ่นดินน่านเท่าน า, นาน้นเพราะใดเพราะว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้แนะนําสั่งสอนศีลธรรมให้กับพี่น้องประชาชนสม เพราะนั่นอธิษฐาตของพระเจ้าจักรพรรดิควรจะเป็นท่งชัยหรือว่าเป็นท่งหลักหยดเหดียวของด้านจิตใจของผี่น้องประชาชนเฮาอย่างนี้เฮาอย่ ง, ออยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเฮาดีแล้วเนี่ยพระองค์สวรรคตสวรรคารายไปแล้วเนี่ยอยู่ในบรม โ, มโกศเบื้องนู้พี่น้องประชาชนเขาไปกราบคารว่าสักการะเนี่ย พวกเขาขาดคิดถึงบ่ะนาจิตนาใจของพี่น้องประชาชนซักกลาดเข้าไปเยลยกาบขรรวาเย่งหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนี่แหละลงพอวั น, นในหลวงของเราเสมควรยิ่งที่จะสัง่งธาดขึ้นมาองค์หนึ่งให้พี่น้องประชาชนได้ก่าไปกนกาบไปไหวแล้วก็ออบประวัติของเพลนออบประวัติของเพลน ไหวในล่อมหลอบเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์หรือเจดีย์ให้พี่น้องลูกหลานได้ศึกษาภูมิอุปนิสัยเออหน่พระเจ้าเป็นดินของเฮ้าเนี่ยทาคุณอุปการให้กับประเทศชาติจังซี่จังซี่นะมีนม้ำจิตน้าใจจังซี่นะช่วยเหลือคนทุกข์คนจนจังซีนะการทิดดูทา้งเกษตรมีนาม้จนาจิตน้าใจนําประเทศไทยจังซี่นะเนี่แหละลงพอวัน สมควรที่จะสร้างสถูกขึ้นเจดีขึ้นมากแล้วก็ทำพิพิธพันธ์เพื่อเป็นสงาราศีเช่าต่างประเทศเช่าต่างชาติเขามากก็จะได้มาเบิงอีกขึ้นกันาจากนั้นก็เป็นเครื่องยึดเหนียวทางดานยิดใจของพี่น้องประชาชนคนในชาติใวยเห็นแกตัวไวยเห็นแก ความสัวสาเสียหายให้เห็นแก่ชวนร่วมให้เห็นแก่ประเทศชาติให้เห็นเห็นแก่ม้วนชนการพวกเข้าอยู่น้ากันมีนามจิตนําใจต่อกันอยู่ใสจุมหมักหน่อยขนาดไหนก็ลมเย็นเป็นสุขพึ่งผ้าอาศัยกันผู้ลวยกับเชลีอาให้ผู้จนผู้จนก็นทํางานนักขึ้นมาแนเป็นผู้ซื้อชุดชุดจริตต่อกันนี่แหละการอยู่น้ากันถึงจะมากหน่อยก็มีแต่ความลมเย็นเป็นซุขหลวงพ่อวานนะ เมือ่อในหลวงพอว่อบอกเป็นภาษาอีสานภาษาบ้านเฮ้าให้ฟังในง่ายๆนะกันผู้ใดอยู่ทางภาคกลางมาฟังเอ้ผมฝงฟังไม่เข้าใจเออขันเฮ้ามาป้องเฮาต้องศึกษานะมาทางอีสานเฮ้าก็ต้องศึกษาภาษาอีสานขันเฮ้าไปภระาผมเมืองอังกฤษเฮ้าจะไปบอกภาษาไทยได้อย่างไรเป็นบ่ล mm ่ะ hmm. เฮาก็ต้องไปเฮียนภาษาอังกฤษนาเขา่าอันนี้คือกันนะ่ะ มาหาทั้งาหามหาหลวงพ่อก็ต้องไม่เหียนภาษาหลวงพ่อน้ำแด น, นตัวอย่างคอยแมนนะเรับพ่อในตีนะ่เน่